ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมะถ้าใครจะเลื่อมใส Zhao, ในธรรมเนี่ยนะเลื่อมใสในศีลพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยศีลถ้าผู้ใด จ, จะเลื่อมใสในสมาธิพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิถ้าผู้ใด จ, จะเลื่อมใสในปัญญาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาผู้ใด จ, จะเลื่อมใสในวิมุตติวิมุตติยานทัสนานะเลื่อมใสในโพธิปักษิธรรมสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีพละ พรดชงจะไดจะเลื่อมใสในพระพุทธคุณเหล่าใดเหล่าใดพระธรรมเหล่าใดเหล่าใดทำเหล่านั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์ในพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านมันจะมองในแง่ใดมุมใดอ่าเรียกว่าเลื่อมใดเหลี่ยมใดพระองค์ก็น่าเลื่อมใสายโดยรอบด้านเรียกว่าพระองค์เป็นสมันตปาสาธิกาฉะนั้นพระพุทธศาสนั้นเมื่อมีโอกาสได้บวชเข้ามา อ่ะนะได้บวชเข้ามาเห็นพระพุทธคุณพระพุทธกิจเป็นต้นของพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ่งเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็เกิดปีติแต่ปีติเหล่านั้นเนี่ยนะอย่างสัตว์เหล่าอื่นเนี่ยนะเมื่อมีปีติอาศัยปีติเป็นบาตรให้เกิดการตรัสรู้ปีติเป็นที่ตั้งแห่งนิเพทภาคยะสําหรับบางท่านบางท่านปีติเป็นเหตุให้เกิดบุญวาสนาต่ อ, ต, อต่อไปบางท่านก็เป็นปีตั้งปีติเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญ แต่สําหรับพระโพธิสัตว์อาศัยบุญบุญที่ทําให้เกิดปีติหรือปีติในบุญในบารมีของท่านปีติอันนั้นท่านตั้งไว้เพื่อเหตุแห่งพระโพธิญาณนะเอาปีตินี่แหละเป็นบาปปีติเป็นเหตุโพธิญาณเป็นผลฉันขอปีติในพุทธคุณทั้งหลายจงเป็นปัจจัยเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเถิดนะนะฉันบุญทุกชนิดเนี่ยน้อมไปเพื่อ โพธิยานโดยประการทั้งปวงนะหมายความว่าเจตนาบุญทุกประเภทบุญไม่ว่าจะเป็นบุญทานศีลเนคธรรมปัญญาวิรยิยะน้อมเอาบุญเหล่านั้นเพราะเหตุแห่งโพธิยานทั้งหมดนั้นปีตินั้นถามว่าปีติมาจากไหนก็มาจากศรัทธามาจากศีลเพราะผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นผู้มีสุตตะมากเะั้นโดยลักษณะของผู้มีสุตศรัทธานั้นจะชอบฟังนะมีศรัทธาที่จะฟังเพราะการฟังเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องใสแห่งใจ มันก็ปีติก็จะเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปมันปีติเหล่าใดเหล่าใดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาปีติเหล่าใดที่เกิดจากทานศีลภาวนาหรือเกิดจากการบรรประชาเป็นต้นน้อมปีติเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้โพธิญาณแต่อย่าลืมว่าโพธิญาณเนี่ยโดยปกตินี่หมายถึงว่าปัตตสาวกกับโพธิญาณตัจเจกับโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณแต่สําหรับพระโพธิศาทั้งหลายตั้งเป้าหมายเพื่อ สัมมาสัมโพธิญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูพระองค์นั้นทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีจิตใจไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ในการสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกไม่เบื่อมไม่น่าย น, นะไม่คลายไม่มีอะไรทําให้ท่านคลายความเพียรลงไปได้ น, นะแล้วศรัทธาเหล่านี้มีแต่ว่าอะไรนะวิเสสภากิยะ การเจริญบุญเนี่ยมีอยู่โดยปกติมีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันบางพวกเจริญบุญประเภทหานะภาคยะรอวันเจ้งว่ารเงี้ย น, นะเหมือนกับว่าเปิดร้านทางโลกก็เปิดรอวันเจ้งวันล้มละลายแตกสลายไปยงั้นนะบุญของบางท่านก็ลักษณะนั้นเรียกว่าหานะภาคยะทําไปก็ทํารอวันเลิกว่าเอ๊หาเหตุผลยังไงนะจะเลิกเรียนธรรมะได้นะหาเหตุผลบางคนหาจนได้ช่องก็เลยเลิกเรียนธรรมะก็ไม่ใช่น้อยนะ น, นะนนะก็ก็มีเหตุผล จ, จนเลิกเรียนคําสอน อันนี้เรียกว่าประเภทฐานะภาคยะบางพวกก็อนุรักษ์นิยมได้เหมือนเดิมนั่เรียนกี่ปีกี่ปีก็ฉลาดคล้ายๆเหมือนเดิมศรัทธาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าทิติภาคยะบางพวกเป็นกลุ่มวิเศษสภาคยะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเปรียบเทียบได้เลยว่าแต่ละปีแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ถ้าพวกแบบเรียนหลายๆปีเนี่ยนะบางพวกนี่แยกออกถ้าเรียนมาหลายๆเดือนแต่ละเดือนนั้นแตกต่างกันอย่างไรบางพวกเนี่ยศึกษาแล้วเพิ่มว่า แต่ละสัปดาห์นั้นเจริญขึ้นอย่างไรบางพวกแต่ละวันนั้นเจริญขึ้นอย่างไรกลุ่มที่แยกแยะเห็นความเจริญขึ้นทุกวันทุกวันประเภทนี้เรียกว่า วิเศษาภากคย์เนี่ยนะพระโพธิส like ัตว์ท um ั้งหลายสร้างบารมีเพื่อวิเศษภากคยะเจริญบุญเพื่อบุญเจริญบุญเพื่อบุญให้บุญเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลธรรมเช่นศรัทธาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวิริยะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสติเพิ่มพูนยิ่งยิ่งสมาธิเพิ่มพูนปัญญาก็ยิ่งเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่าอื่นก็เพิ่มพูนบุญของท่านก็เพิ่มพูนไม่เคยท้อที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลเหล่านี้เลย พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานนะรู้ด้วยสัพพัญยุตยานไม่มีอะไรขวางกั้นด้วยอนนาวรณญานพระองค์ก็เลยพยากรณ์ดังนี้ว่านับตั้งแต่นี้ไปข้างหน้าอนาะคตอีกสาอกับท่านผู้นี้หรือว่าพระเจ้าสุทัศนราชาพระองค์นี้ที่ออกมาบวชบำเพ็ญบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนอีกสามสบอกับถ้าเราคิดกับโดยจํานวนวันเนี่ยนะฮะกับหนึ่งเปรียบเหมือนกับวันหนึ่งก็เท่ากับกี่วันเดือนเดียวเองนะโอ้อีกเดือนเดียวได้ดีแล้วเดือนเดียวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะหมายถ้าฟังแล้วก็ปีติเลยนะชั้นใดพระพระพุทธเจ้าเวสภูก็พยากรณ์เลยว่า ตถาคตคือผู้สร้างบารมีเช่นกับพระพุทธเจ้า พ, พระองค์ก่อนๆ น, นั้นน่ะจะออกอภินิษฐสกรมจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมแล้วก็ตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรรวบรวมโพธิปัจจยธรรมตั้งความเพียรในการเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาแต่ทำโดยร่างกายที่ทุกข์ยากลำบากคำว่าเพียรในที่นี้เพียรเจริญศรัทธาโดยมากในพระไตรปิฎกสยกอินรี่ห้าว่า พระโพธิสัตว์นั้นภาพเพียรในการเจริญอินสี่ห้าแต่ด้วยร่างกายที่ลำบากนะเเจริญศรัทธาด้วยร่างกายที่ลำบากแต่ร่างกายจะลำบากศรัทธาก็ยังเพิ่มถึงร่างกายจะลำบากวิริยะก็เพิ่มวิริยินสี่ก็เพิ่มถึงร่างกายจะลำบากสติแต่ไม่หลงลืมถึงร่างกายจะลำบากใจก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านถึงร่างกายจะลำบาก ปัญญาก็ยังบำเพ็ญกิจอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพระโพธิสัตว์ท่านไม่รู้อะไรเลยนะไอ้ที่ไปแม้ทําร่างกายให้ทุกข์ให้ยากอย่าคิดว่าท่านคิดเท่าเรานะถ้าท่านคิดเหมือนเราอีกไม่นานหกปีข้างหน้าเราก็เป็นแล้วพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้คิดแบบเราแน่นอนเชื่อเถอท่านคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดท่านคิดแบบคนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุธพะพธทธเจ้าพันร่างกายจะเหนื่อยจะยากจะทุกข์จะยากจ ะ, กจะกลําบากอย่างไรก็ยังเจริญ กุคุณธรรมเจริญโพธิปัจจัยธรรมรวบรวมโพธิปัจจัยธรรมนะจนเกือบเต็มเตี่ยมพระองค์ก็จะประทับนั่งณนะต้นโคนต้นอชาป่าลานิโครธต้นไทรเนี่ยนะรับเข้ามาทุปายญานะที่นั้นก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสเวยเข้ามาทุปายญาติที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพเพลก คนต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งการตรัสรู้จากนั้นพระผู้มียศคือมีบริวารมากพระองค์ก็จะทําประทักษิณเดินเวียนขวาโพ ท, ที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมเนี่ยนะด้วยคําว่าเดินเวียนนี่ไม่ใช่ว่าเดินแบบเดินยกมือไหว้ประนมรอบต้นโพไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าเดินสำรวจว่าสถานที่ตรงใดมั่นคงที่จะเป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งโพ ท, ที่บาลังเป็นแท่นเป็นที่ตั้งแห่งเรียกว่าแท่นวัชระอาจ เป็นที่ตั้งแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะมันพระองค์ก็ตรัสรู้ณโคนโพพฤกษ์ชื่อว่าต้นอสสัตถะพระองค์ก็จะพิจารณาอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านผู้นี้หรือพระโพธิสัตว์ผู้นี้ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นชาติที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะท่านผู้นี้จะมีนามตามโคตว่าโคตัมะ จกมีอักระสาวกชื่อว่าโกวริตะและอุปติสะนนะสาวกเหล่านั้นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นคงที่พระองค์มีพุทธอุปถาคอยบำรุงอยู่โดยปกติเชื่อว่าพระอานันท์เป็นเอตทักคะในด้านการอุปถาหรือบำรุงท่านผู้นี้จะมีพระอักระสาวิกาคณนะเลิศคือพระเขมาและอุบลวันนา ผู้อัครส า, าวิการนั้นนะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นก็คือเป็นรรพระอรหันต์โพพฤตต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศสสถะหรือว่าต้นโพใบหรือว่าเป็นต้นตระกูลไซชนิดหนึ่งนะไม้โพเนี่ยเป็นไม้ไสเนี่ยนะเป็นพันไม้ไซชนิดหนึ่งเรียกว่าไซกลุ่มหนึ่งที่มีใบแบบนี้ อัคระอุปถาชื่อว่าจิตตาและหัตถอลาวะกะอัคระอุปทายิกาชื่อว่านันทมาตาและปุตราพระโคดมผู้มีโยศพระองค์นั้นจะมีพระชนมาายุร้อยปีกระว่าเกิดในสมัยคนมีอายุร้อยปีทีนี้พระองค์พยากรณ์นั้นนะนะอย่าลืมว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนานสิกขีเวสภูองค์ใดก็ตาม การพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเวสภูนั้นมีผลต่อพระโพธิสัตว์อย่างแรงกล้ามีผลให้พระโพธิสัตว์สร้างบารมีอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นการวางอุปนิสัยวางอัธยาศัยให้แก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นน้อมไปในการตรัสรู้อีก31มสกับข้างหน้ามีหลายท่านบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะตรัสรู้เนี่ยนะคือไม่มีบุญอ่ะนะไม่มีบุญมันตรัสรู้ไม่ได้ถึงจะอยากยังไงก็ไม่ได้บรรลุ มันบอกว่าข้ามท่านี้ไม่ได้ก็รอข้ามท่านหน้าตรัสรู้เรยียกว่าเหมือนกับว่าโดยสารเรือลำของพระพุทธเจ้าเวสภูโดยสารเรือคืออริยมรรคของพระพุทธเจ้าเวสภูสอนไม่ได้ก็ขอดําเนินตามเรือคืออริยมรรคของพระพุทธเจ้าโคดมพระองค์นั้นอีก31กลับข้างหน้ามันเทวดาและมนุษย์เราไม่ใช่น้อยขอตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยนะก็รู้ว่าตัวเองไปไม่ได้ใช่ไหม อย่างคล้ายๆบอกว่าคนจะไปสังเวชนียสถานไอ้ใจมันก็อยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เดี๋ยวขอไปเที่ยวหน้าก็แล้วกันครับว่างานทางคนว่าทางคนนี่รอจนเกิดใหม่น่าจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างนี้พวกน้องไ้กินข้าวผัดมากนีผัดมันตะการพรุ่งผัดปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะจะผัดจนกระดูกกระเดี้ยวหักไปหมดไปไม่ได้เลยคนนี้นนก็รอเป็นเทวดาแล้วไปไหว้ก็แล้วกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เทวดาอีกนั่นแหละทําบุญให้มันดีแล้วกันนะนะ พการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผลต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะว่ามีผลต่อพระโพธิสัตว์มีผลต่ อ, อ, อผู้ที่ตั้งความปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโล ก, กธาตุพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะได้ฟังพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจว่า ท่านผู้นี้เป็นพุทธังกูลเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะได้รับพุทธภยากรเป็นนิยตตาโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิปดอย่างแน่นอนเนี่ยนะเป็นตรัสรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นทั้งหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกก็พากาันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงด้วยความดีใจประคองอัญเชลีนอบน้อมนมัสการว่ากล่าวว่า ถ้าหาว่าพวกเราพลาดจากาศาสนาของพระโลกกนธาพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเปรียบเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแมนะ่น้ำพลาดจากท่าน้ำหรือว่าพลาดจากเรือลำนี้ก็รอเรือลำ หลังเพื่อที่จะข้ามแม่น้ําใหญ่ไปฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพ้นจากศาสนาพระชินเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันน่ยนะมันพวกที่มาคอยบรรลุเนี่ยนะไปอ่านในอั ป, ปทานดูเถอะพวกนี้ที่ใจจดใจจ่อรอมาบางคนรอมา91กลับบางคนเอ่อบางบางกลุ่มนะเยอะเลยรอมาสี่สองขแสนกลับเหมือนกัน นะรอรอจะเป็นสาวกเนี่ยนะไม่ได้รอจะเป็นพระพุทธเจ้าเองอะไรหรอกรอจะเป็นสาวกบางพวกรออยู่ได้สี่อสงไขเศษเนี่ยนะนะเพราะว่าพวกที่คิดอย่างเนี้ยคิดไว้กลุ่มสี่อสงไข่ก็มีบางพวกก็คิดไว้อย่างนี้สามอสงไข่บางพวกก็คิดอย่างนี้ขอบรรลุตามอีกสามอสงไข่ข้างหน้าอีกสองอสงไข่ข้างหน้าบางพวกคิดว่าอีกอส อ, กอสงอีกหนึ่งอสงไขยบางพวกก็คิดมาอย่างนี้อีกค่ะอย่างพระอะไรนะพระมหาการณ์ใช่ไหมเออพระภากุล พระภากุลเนี่ยนะสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้ปรารถนาะปรารถนาเอตตะตะตอนหลังว่าข อ, อาเป็นเลิศทางทางอะไรสุขภาพดีไม่ป่วยไม่ไข้นนะแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ทำบุญตั้งความปรารถนาตรัสรู้นะแต่ว่าใจยังไม่นอนตรัสรูทส้ท่านสร้างบุญมานานเท่ากับพระสารีบทพระโมคคัลลานะพระภากุลเนี่ยนะพระสองตระกูลภากุลภาพ า, พาเนี่ยทวิเนี่ยนะแปลว่าสอง กุลละก็คือตระกูลแปลว่าพระสองตระกูลคลอดอีกจักที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเลี้ยงแล้วก็สลับสองตระกูลเนี่ยแล้วทั้งคู่เป็นตระกูลเศรษฐีทั้งคู่นะในที่สุดท่านก็ครองเรือนจนอายุ80ดบวชตอนอายุ80บวชเจวันเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลอุปถักแล้วนะเพราะลูกหลานคอยดูแลท่านหมดนะดูแลรับใช้ท่านก็เปลี่ยนผ้าแบบคือเป็นผ้าที่สบายมากเลยแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยไม่เคยป่วยชันสมอชิ้นเดียวก็ไม่เคย สุขภาพดีเยี่ยมแล้วก็ไม่เคยไม่เทศอีกเหมือนกันนะไม่เทศไม่อะไรมันมีดีอยู่ในตัวแล้วอย่างแต่ก็ในที่สุดท่านก็ปรินิพานก็เหาะปรินิพานนะนะไม่ต้องมาคอยอุปถากคอยวนห่วงเรื่องจับงานศพอะไรให้ไม่ต้องห่วงสักอย่างท่านช่วยเหลือตัวเองอย่างเรียบร้อยสบายหมดทุกอย่างเลยนะจัดจัดการดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับท่านเลยนะก็พระอย่างพระภากุลเนี่ยท่านก็สร้างบารมีมา หนึ่งอสงไขยแสนกับบางพวกก็มาแสนกลับมาแล้วกลุ่มเอตทัคขะอสีติมหาสาวกทั้งหลายโดยมากแสนกลับก็สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระชนเหล่านั้นแหละบอกโอ้โขอได้ตรัสรู้ตามองค์ข้างหน้าเถื่อ น, นะบางพวกก็รอมาแล้วเก้าศีอธไรสามหมื่นกับบางพวกก็รอมาแล้ว9ก้าศอ หมื่นกว่ากลับบางพวกก็94กลับบางพวกก็ตั้งคิดอย่างนี้มา9กบสกลับบางพวกก็คิดอย่างนี้มา91กลับบางพวกก็31อ็ดกลับอย่างกลุ่มเนี่ยก็มาตรัสรูพระในที่บรรลุทีละหลายหมื่นเนี่ยนะทีละเป็นหมื่นโกรธเนี่ยคือพวกเนี่ยเขาคิดมานานแล้วไหเพิ่งมายังใจให้สําเร็จนะตอนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปที่สยามทำหรอกอก่อนหน้านั้นเราก็ยังไม่คิดเลยน่ยนะอย่างก็าถามว่า ของเราเนี่ยเกิดมาตั้งแเล็กแกตน้อยเนี่ยนะเดินผ่านวัดกันบ่อยไหมบ่อยเคยคิดจะบรรลุไหม น, นะตอนสมัยสักอายุพอรู้ภาษาบ้างเคยตั้งความปรารถนาเหมือนน้องบัวบ้างไหมยอย่างเงี้ยนะมันก็ยากเหมือนกันขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระทำก้าในทันทีอย่างเงี้ยนะบางทีก็อาจจะปู่ย่าตายายพาว่านะบางคนนะมรซีผลซีนิพานหนึ่งแล้วลูกนะก็ว่าไปอย่างนั้นไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะยายพาว่าปู่พาว่าก็ว่าไปอย่างนั้นแหละ นะบางคนก็ก็เคยว่าแต่ว่าไม่ได้เคยอยากได้นี่นะเคยว่าแต่ไม่ได้แปลว่าอยากได้เพราะจนกว่าจะมีอัธยาศัยธรรมะเนี่ยแปลกนะมันเป็นโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นโอปัญญิโกเราต้องน้อมใจไปหาไม่ใช่พูดแต่วาจาแล้วได้เลยไม่ต้องน้อมใจเข้าไปหาแล้วท่านจะน้อมมาหาเราโลกุตระธรรมจะน้อมมาหาเราเมื่อเราน้อมใจไปหาโลกุตระธร ร, รมมันจะต้องตั้งความปรารถนาเพื่อทําให้แจ้งโลกุตระธรรม แต่บางพวกไม่เกี่ยงเวลานะบางพวกก็เกี่ยงเวลาแต่บางท่านก็บอกไม่เกี่ยงนะขอให้ทําให้แจ้งโดยฉับพลัน ท, ทันทีเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ไม่จํากัดขอให้มันบรรลุเป็นใช้ได้นะจะบรรลุเป็นมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ดีนะบรรลุตอนไหนฟังจากใครบรรลุก็ดีฟังเองพิจารณาเองบรรลุก็ได้บรรลุตอนแสดงตอนปฏิบัติตอนไหนก็เป็นอนว่าคขอบรรลุอย่างเดียวนะอย่างอื่นพิธีการพิธีกรรมไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงนะ เหมือนบางคนในเรื่องมากนะจะทานอาหารมื้อหนึ่งต้องเรื่องต้องร้านนี้ต้องอาหารอย่างนี้ต้องสั่งแบบนี้ต้องอุย้ยกว่าจะได้ทานอิ่มเนะี่ยบางคนบอกขอให้มันเน่ยจะเรียกว่าใสทงพลาสติกเอาช้อนพลาสติกมาก็ยอมเพราะมันได้อิ่มเป็นใช้ได้แล้วนะก็ะคือเพราะต้องการจริงๆคือต้องการความอิ่มผู้ที่ปรารถนาความตรัสรู้ก็มีความหลากหลายท่า น, นพระองค์จึงแสดงอริยมรรคเป็นสหัสสนาเป็นพันในอย่างนั้นนะอริยมรรคเนี่ยกลุ่มพันในด้วยกันเนี่ยนะเพรามีความหลากหลายทางความคิดมาก มีความหลากหลายทางการตั้งความปรารถนาเพื่อการตรัสรู้มากเพั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านี้แหมดีใจมากเลยนะขอให้มันบรรลุเถอะขอให้บรรลุต่อหน้าท่านผู้นี้แหละบางันเพราะฉะนั้นพว ก, วกที่ตั้งความปรารถนาบางทีเนี่ยหลุบจั ก, กรวาลไปอยู่จั ก, กรวาลอื่นไปอยู่ในอนาบริเวณหมื่นจั ก, กรวาลมันพอพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมจาจักนี้มากันเลยแกันมาเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพวกเราคอยมาตั้งนานแล้วก็มาฟังธรรมบางพวกบอกว่ามาตอนที่แสดงธรรมจาจักไม่ได้มาตอนไหน มาตอนยมะกะปาติหารมาตอนมหาสมัยสูตรมาตอนจุลราหุโลวาทสูหรือมาตอนก่อนจะปรินิพานก็จะมาโคโยประชุมกันนะมาจากหมื่นจั ก, กรวาลเพราะสัตว์ไม่ได้มีจักรวาลเดียวมีเป็นหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลแสนโกดจักรวาลและอนันตจักรวาล น, นั้นพวกเหล่านี้ที่เรียกว่าไม่รกรรมตัวไหนมันพาหลุดจักรวาลไปไกลมากเลยนะพวกนี้ก็โคจรกลับมาฟังตามก็ อิ่มบรรลุนั้นพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าผู้มียศใหญ่ก็เนื่องว่าสาวก ข, ของพระองค์อยู่เป็นแสนโกดจั ก, กรวาลเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าใครจะมีชื่อเสียงกว้างไกลเท่ากับพระองค์อีกแล้ว น, นมันเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ดีใจเลื่อมสายว่าขอให้ได้ตรัสรู้ตามในอนาคตเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นกษัตริย์ออกบวช ศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามคําสอนปีติในพระพุทธคุณมีศรัทธาในการเจริญข้อวัดปฏิบัติพอฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์ก็ใจเลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปปองใสดีใจยิ่งๆ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็สมาทานอธิฐานตั้งใจที่จะประพฤติข้อวัดเพื่อจะบําเพ็ญบารมีสิบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งยวดขึ้นไปเรียกว่าเข้มงวดขึ้นนะเรียกว่าทานเนี่ยคำว่า ธรรมทานเนี่ยนะอัธยาศัยของท่านคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่เมื่อมีอัธยาศัยใหญ่ทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายาจะได้รับประโยชน์ทานคือปัจจัยสีได้สําเร็จเนี่ยนะจะให้อภัยาทานได้อย่างไรอย่างให้วัตถุทานได้อย่างไรโดยที่ไม่มีขอบเขตจํากัดะนะเพราะใจของท่านตั้งไว้อย่างนั้นจะให้อภัยาทานอย่างไรเนี่ยนะโดยที่ไม่มี ขอบเขตจํากัดจะให้ธรรมทานอย่างไรโดยที่ไม่มีขอบเขตจํากัดให้ประโยชน์โลกนี้แก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรโดยที่ไม่มีขอบเขตจํากัดให้อะนะให้สวรรค์สมบัติให้นิพพานสมบัติให้โสดาปฏิมักจนถึงอรหัตตมักอย่างไรโดยที่ไม่มีขอบเขตจํากัดเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งในการเจริญกุศลให้ตัวเองได้ทํากิจเหล่านั้นต่อไปให้ได้ในอนาคตก็สมาทานในการสร้างบารมีให้เข้มข้นยิ่งยวดขึ้นไปอีก กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระนามวเวสภูพระองค์นั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าอนุมัพุทธบิดาพระเจ้าสุปติตะพระพุทธมารดาพระนางยศวดีแล้หญิงผู้มียศเนี่ยนะพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่6 0 0ันปีเนี่ยนะครองคารวาวิสัยอยู่หกพันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่ สามหลังคือรูจิสุรติและวัฏกะมีสนมกำนันสามหมื่นนางท้วนมีอาคาามัครมเหสีคือพระนางสุจิตตาพระโอรสพรนามว่าสุ ป, ปะพุทธะพระผู้สูงสุดในบุรุษเห็นนิมิตสี่ก็ออกอภินิสกรมด้วยวอก็คือรสนะนะพระองค์บำเพ็ญเพียรหกเดือน พระมหาวีระเวสภูผู้นำโลกสูงสุดในหมู่นรชนอันเท้ามหาพรหมทูลอาราธนาแลว้วประกาศาธรรมจากณอรุณราชอุทยานพระเวสภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครส า, าวกชื่อว่าพระโสนและอุตตระเนี่ยนะพระโสนอุตตระนะเหมือนกับพระเทเรสองรูปที่มาประกาศธรรมในสวรรภูมิพระองค์มีพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอุปสัมตะนะพระผู้สงบเนี่ยนะ พระองคมีอัคาราสาวิกาชื่อว่าพระรามาและสมาลาผู้ผลักต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาสาระต้นสาละอัคาระอุปถายิกาชื่อว่าโสติกะและรัมมะอัคาระอุปถายิกาชื่อว่าโคตมีและสิริมาพระเวสสภูพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะปกติพระองค์สูง60ศอกอุปมาเสมือนเสาทองว่างนัน เหมือนเสาทองพระรศมีแล่นออกจากพระวรากายเหมือนดวงไฟเหนือยอดเขายามราตรีรัศมีเนี่ยนะสมุทครเคยเห็นดวงไฟที่มันเรียกว่าไฟบนยอดเขามองมีเป็นแสงสว่างเป็นช่อเป็นช่อฉันใดพระรสมีรังสีทั้งหสีแล้ก็แล่นออกจากพระวรากายของพระองค์ฉันนั้นพระชนมายุ ข, ของพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นหกหมื่นปี พระองค์นั้นทรงพระชนยืนถึงเพียงนั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะเนี่ยนะพพระองค์สามารถที่จะบำเพ็ญพระพุทธกิจช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยศัสตร์ทั้งหลายได้พระองค์ด้วยพระสาวกด้วยช่วยกันทาพระธรรมคือาศาสนาธรรมคือศิษคยคำสอนอันประกอบไปด้วยศิษขาสาให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางทรงจาเนกมหาชน จำแนกมหาชนให้เป็นพระอริยะชั้นต่างๆแพร่ขยายพระธรรมให้กว้างขวางจำแนกพระอริยะตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปทรงตั้งธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานชนทั้งหมดในยุคนั้นสมัยนั้นวิหารที่อยู่อาศัยทั้งหมดพระอิริยาบทรูปพระอลีลาในการยืนเดินนั่ง น, นอนที่งดงามน่าดู ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพภาษาวกทั้งที่อยู่อาศายัยยุคสมัยคนในยุคเดียวกันก็อันตรธานไปศูนย์สิ้นสังขารทั้งปว ง, งก็ว่างเปล่าแน่แท้ น, นะไม่เหลือเลยนะเมื่อ30สิกลับที่แล้วไปหากระดูกที่ไหนงนั้นนี่เหลือสาซศากศเศษอิฐเศษปูนที่ไหนได้ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะศูนย์สิ้นสลายไปสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระเวสสุโภพุทธเจ้าผู้ชินวราศาสดาดับขันปรินิพานณพระวิหารเขมาราม เรื่วัดที่ที่อยู่แล้วสบายใจนะเขมาแล้วว่าปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจไม่ต้องเรี้ยบ้วงั้นนะวัดนี้อยู่แล้วสบายใจเรียกเขมารามมีพระบรมสารีริกธาตุแผ่ไปกว้างขวางเป็นส่ว น, วนในถิ่นนั้นๆพระองค์อธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นี้กระจายไปสําหรับรายละเอียดในอัตถกถามทุรท่วิลาสินีที่พระพุทธตะเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยนะ กล่าวว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระนามว่าสิขีเนี่ยนะก็คือในกลับเดียวกันเมื่อ31มสิบกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก2พระองค์องค์ที่1นสิขีองค์ที่สองเวสภูหลังจากที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีอันตรธานมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้าสิกขีมีอายุ7จ็ดหมื่นปีก็ค่อยๆถอยลดน้อยถอยลงโดยลําดับ จนมนุษย์อายุเหลือ10ปีนะจนถึง10ปีอย่างพวกเราเนี่ยเท่าไหร่ก็7จ0ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆลดไปเดี๋ยวก็เหลือแสดงว่าอายุมันแวนวโน้มจะสั้นไม่ได้ยาวยืนขึ้นนะมนุษย์โดยองค์รวมของโลกไม่ได้ยืนขึ้นแต่สั้นลงก็จะค่อยๆลดลดลดเหลือ10ปีเนี่ยนะ้าปีมีคู่แล้วสิบปีก็ตายนะแสดงว่าสสมัยใหม่นี่ก็เริ่มสัก1 2บก็มีคู่กันแล้วเนี่ยนะ แต่มันก็จะค่อยๆลดอย่างเงี้ยก็เหลือ5ปีมีคู่สิปีก็ตายเนี่ยนะมันก็อายุก็จะน้อยถอยลงไปพอถอยจนถึง10ปีก็เกิดมิขสันยีขึ้นเนี่ยนะเกิดมิขสันยีมีความคิดประดุดสัตว์เข้นฆ่ากันอย่างมากมายหรือหรือโรคภัยไข้เจ็บระบาดลงเช่นกลุ่มอะฮิวาตกระโรคมันตายแบบตายล้างโลกเลยแหละหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้าง หรือว่าถูกรเรียกว่าสัตว์ทันตระกับเนี่ยนะเกิดการเข่งข้ากันบ้างมนุษย์ก็จะน้อยลงไปก็จะเริ่มมีคุณธรรมขึ้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเหตุให้ตายอย่างในยุโรปเนี่ยนะยุโรปเมื่อหลา ย, ลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะมีประชากรประมาณเก้าสิบล้านคนนะมีประชากร90บล้านคนเนี่ยอหิวาตกะโรคหรือกาลาโรคขออภัยไม่ใช่อะิวากาลาโรคทําให้ตายประมาณ40บล้านคนนีนะ สี่สล้านเนี่ยแบบมันตายจนเรียกว่าฝังไม่ทันนะฝังไม่ทันเนี่ยภายใน7วันเนี่ยตายกันเกลื่อนเมืองเลยพราะกั้นตายกันเกลื่อนเมืองเพราะฉนั้นฝังไม่ทันเพราะฉะนั้นฝังลวกๆวกสุนัขมันก็มากัดลากศพแต่เขาบอกว่าเมื่อสักเก้าสิปีที่แล้วเนี่ยนะเมื่อ90ปีที่แล้วหรือเมื่อสัก80ปีที่แล้วเนี่ยคุณปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านเด็กๆอ่ะนะตอนนั้นอายุสัก10บขวบเขาบอกว่าไอ้โรคตัวนี้เนี่ยมันลงในหมู่บ้านที่ที่อีสาน อันน่ะตอนนั้นที่ศรีสะเกดที่ที่ศรีสะเกดใ น, นอำเภอภูขันแล้วก็มีเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องเจ็ดแปดคนเนี่ยตายซะเหลือคนก็มีสองคนก็มีตายกันจนช่วยกันเอาไปฝังไปเผาไม่ทันอย่า ง, าางนั้นมันตายเกลื่อนเมืองกันขนาดนั้นเมือม่อเมื่อแปปีที่แล้วนะที่ที่นประเทศไทยเราเนี่ยนะเรียกว่าเรียก ว, ว่ากลุ่มการะโรคเนี่ยนะเป็นก็กลุ่มโรคฝีดาบฝีอะไรมันสุดแท้แต่มันจะออกมานะก็ติดเชื้อกัน แล้วก็ที่อินเดียนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเช่นนนะอาหิวาตากะโรคเนี่ยสมัยในคำพีจะได้ยินค่อนข้างบ่อยอาหิวาตากะโรคตายกันเกลื่อนเมืองเนี่ยนะตายกันเยอะแยะจนต้องทุบบ้านทุบเรือนนี้กันอุตลุดเนี่ยนะนะพวกที่หนีนี่แหละมันพาเชื้อไปด้วยนะไปให้มันลงระบาดไปเรื่อยเนี่ยนะ มันเชื่อโรคบางอย่างสมัยก่อนเขาบอกมากอะไรมากกับการเดินทางนะของพวกพ่อค้าทั้งหลายอย่างเกาะบางกาเนี่ยนะชาวข้างนอกออกไปเอาโรคเข้าไประบาดตายกันเกือบทั้งเกาะเ้างนะันทัานพวกนี้ก็เหมือนกันมนุษย์ก็จะเริ่มอายุน้อยถอยลงไปก็ตาย เสร็จแล้วก็พออายุน้อยเนี่ยนะมันก็อาจจะมีบัณฑิตสักคนนึงมาเริ่มแนะนำเสี้ยมสอนให้ทุกคนเริ่มมีศีลมีธรรมรักษากุศลกรรมบทอายุก็ยืนยาวยิ่งขึ้นเนี่ยนะเมื่อรักษากุศ ล, ลกรรมบททุกคนก็อายุยืนยาวยิ่งขึ้นจนถึงอายุนับไม่ได้เรียกว่าอายอุนับไม่ได้หมายค ว, าว่าถ้าตัวเลขถ้ายังอยู่หลักตัวเลขเลขศูนย์เป็นร้อยก็ยังนับได้นะ ถ้าบอกว่าเลขศูนย์ถึงร้อยสีตัวบอกเลิกนับเถอะเรียกว่านับไม่ได้ก็คืออสงไขยแล้วว่าเลิกนับไม่ต้องนับแล้วแล้วก็ค่อยลดลงมาจนถึงอายุประมาณห 0,000 ปีห0 0 0ืปีเขาบอกว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะโอ้มันมันเกินอสงไขยปีมันไม่ต้องพูดถึงแสนล้านปีโกดล้านปีหรือว่าหลายหลายสิบโกดล้านล้านล้านลาน้ลานปีเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยจากองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่ง ทำให้มานั่งคิดเออใครมีบุญรอพระศรีอารเนี่ยนะจะกินอะไรเนาะเนี่ยนะบอกแค่เจวันนี่ไม่รู้จะทานอะไรแล้วปีหนึ่งทานอะไรแล้วสิปี20ปีเนี่ยนะทานอะไรกันแล้วทบุญเอาอะไรมาจะต้องใช้เสื้อผ้ากีค่คู่ใช่ไหมกว่าจะถึงพระศรีอารเนี่ยนะตายเกิดอีกกี่อันต้องถูกเผาอีกกี่ล้านครั้งเหลนั้นเน่ยอันน้ตายเกิดถูกเผาเป็นล้านครั้งอันนกว่าจะถึงพระศรีอาร์มในระหว่างนี้คิดหรือว่าปลอดภัยไว้ไปทําบาปทำกรรมในระหว่างทางนะ เราก็เดินทางไม่ประสบอุบัติเหตุทางมิจฉาทิฐิเป็นต้นเหตุมลงั้นก็เคลื่อนทัานโอกาสที่จะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์งงนี่ยากนะนะก็ถือว่ายากจริงๆหรือถึงไปเกิดรู้จะนับถือหรือเปล่าก็ไม่รู้ะนะไปเจอรัตที่อื่นก็เลยกลายเป็นว่าไม่นับถืออะไรอาจจะมีวัดมีบ้านอยู่ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าตัสรู้แต่ไม่เคยสนใจเลย อ, อย่างไงนะ ไม่สนใจเลยอาจจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมจักแต่ก็ไม่สนใจเลยมีบ้านอยู่แถวๆที่พระพุทธเจ้าประสูตนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็ไม่สนใจเลยมาเที่ยวขอทานอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกลุ่มนั้นก็ได้ท่าก็ต้องประคิดให้มันดีๆนะว่าทําบุญสะสมอัธยาศัยให้มันดีๆหน่อยนะนะทำให้มันดีๆแจ๋วๆหน่อยจะได้มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าถ้าไม่สังสมอัธยาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ที่สำคัญถ้าไม่สะสมอัธยาศัยในคำสอนเอาไว้ให้ดีๆนะไม่สะสมไว้ให้ดีๆเนี่ยก็โตไผ่ก็โตไผ่แล้วคันนี่นะพบกันใหม่เนมะื่อไหร่